นามัตถุรัตนตยศขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนไตรเพราความพาสุขความจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกาี้ไปก็พึงตั้งใจฟังธรรมะพร้อมกับการปฏิบัติธรรม เป็นภาวนาไปด้วยได้ปัญญาต้องสองอย่างปัญญาที่หนึ่งก็คือสุตตะระยะปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังฟังฟังด้วยให้รู้เรื่องว่าพูดอะไรหมายความอย่างไรมีความ คิดพิจารณาตามได้ว่าจินตามียปัญญาได้ปัญญาจากการคิดพิจารณาแล้วก็ประการที่สมให้มีภาวนามียปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคือการเจริญสติในขณะฟังธรรมเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้น เวลาฟังทรรขาก็กจเจริญภาวนากำหนดรู้ในตัวเองเพราะพุทธเจ้าแสดงคำแล้วก็จะชี้ให้ดูในตัวเองรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวทั้งหมดเมื่อผูฟ้ฟังฟังแล้วก็ดูตามพิจารณาตาม เขได้เห็นความจริงอ๋ไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าทนอยู่ตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จริงๆเมื่อรู้เมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือได้เธอจะไปยึดถือว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นต้นตนของเราก็ไม่ควรยึดถือเนี่ย ดูไปดูมาพิจารณาไปพิจารณาเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุมาผลนิพพานขึ้นมาในขณะนั้นนี่ก็เพราะว่าเขาฟังแล้วเขาปฏิบัติฟังแล้วก็เจริญสติไปตามจึงทำให้ <c oughs> ได้ดวงตาเห็นธรรมจากนั้น เวลาฟังทำเราก็เจริญสติไปด้วยการระ ล, ล, ลึกการระลึกการรู้สึกตัวเนี่ยการระลึกการรู้สึกตัวทุกพร้อมเนี่ยลลกำหนด ภาวนาอยู่โดยทำความรู้ตัว่ให้มีสติสัมปชัญญะการรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่รู้กายรู้ใจความรู้ตัวทั่วพร้อมเราจะต้องฝึกขึ้นมาสติเป็นความระลึกได้ สัพพัญญะก็เป็นความรู้ตัวมีการระลึกรู้สึกตัวตัวก็คือกายใจทั่วก็คือให้มันทั่วกายทั่วใจพร้อมก็คือเป็นปัจจุบันอยู่ในขณะปัจจุบันขณะนี้ให้รู้ได้ทั้งหมดทั้งตัวทั้งกายทั้งใจ แต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเป็นตัวเป็นตนให้รู้เข้าไปถึงตัวสภาวะอึงความรู้สึกในตัวคือในกายในใจเนี่ยจะมีสภาวะอยู่เป็นความรู้สึกความไหวยเี้ยสังเกตูความไหว ก, กดด ว, หว่วากระเพื่อมความสั่นสะเทือน การทำี่เวลาที่เราหายใจอยู่เนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเราจะมีการรู้ลมหายใจเข้าออกและสังเกตดูความรู้สึกว่าหายใจเข้าเราจะรู้สึกว่าทรง อ, อกหน้าท้องเป็นยังไงตึงหรือหย่อนเวลาหายใจออกทรง อ, อกหน้าท้องหยอห่อนลง ต้องอย่างรู้เนี่ยมันเป็นตัวสติสัมปชัญญะถ้าไม่มีการระลึกไม่มีการสังเกตใจเราก็จะเลื่อนลอยหลับไหลใจหลับกา ย, ยาก็จะซาบสงบฉะนั้นต้องมีการสังเกตให้จิตเขาได้พิจารณาทำงานอย่างรู้ว่าเออหายใจเข้ารู้สึกเป็นยังไง สงบออนะท้องตึงหรือหย่อนต้องดูสิหายใจออกหย่อนหรือตึงหายใจเข้ารู้สึกเป็นยังไงที่โผล่จมูกเย็นหรือร้อนหายใจออกร้อนหรือเย็นต้องอย่างรู้ที่ความรู้สึกด้วย หายใจเข้ารู้สึกเป็นยังไงสบายหรือไม่สบายหายใจออกสบายหรือไม่สบายความรู้สึกสบายไม่สบายก็เป็นสภาวะให้สังเกตในความรู้สึกในขณะเดียวกัน มีใครเป็นผู้รู้อยู่ไหมมีใครเป็นผู้รู้ลมหายใจอยู่ไหมมีสิ่งใดกำลังรู้กายอยู่ให้รู้สิ่งนั้นด้วยใครเป็นผู้รู้อยู่ขนาด น, นี้ถใจให้สังเกตใจไปด้วย สังเกตใจิตใจไปด้วยว่าใจกำลังรู้ใจกำลังดูใจกำลังรู้อยู่ในส่วนของกายก็ไหวๆอยู่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ในส่วนของจิตใจก็จะเป็นสภาพรู้อยู่ <c oughs> ใจที่รู้นั้นก็จะมี ส่วนประกอบอยู่มีความรู้สึกอยู่ว่ารู้สึกสบายใจหรือไม่สบายใจหรือเฉยๆเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สังเกตอยู่อันนี้นก็เป็นสภาวะความรู้สึกในใจที่เป็น ความปลุกแต่งความตรึกนึกความรู้สึกพอใจความรู้สึกไม่พอใจมีไหมใจขณะนี้มันขุ่นมัวหรือผ่องใสใจมันเผลอไหมหรือมันรู้รอยู่ตลอดเราจะสังเกตเท่าทันจิตว่าจิตมีการเผลอการเผลอแล้วก็จะรู้สึกว่าเออนี่เผลอแล้ว อก็รว่าเผลถ้ามีการรู้ความเผลออยู่เรื่อยๆมันก็จะได้มีวมมความตื่นรู้ขึ้นจิตมันจะเกิดความตื่นรู้ขึ้นตื่นรู้ขึ้นสังเกตได้ว่าจิตมีการเผลอเผลอแล้วรู้ว่าเผลอคิดก็รู้ว่าคิด จิตไม่เผลอรู้อยู่ตื่นรู้อยู่ก็จะสังเกตได้ว่าเออจิตขณะ น, น, นี้ตื่นรู้อยู่ตื่นรู้อยู่อ่าเผลอรู้พอเผลอแล้วก็รู้ว่าเผลอการระลึกรู้เนี่ยจะต้องวางใจเป็นกลางด้วยใจที่เป็นกลางนั้นคือใจที่ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายต้องหัดใจให้เป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางไปทยานอยากว่าจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้ก็จะไปจัดการอารมณ์นะถ้าไปจัดการเขาเขาก็จะจัดการเราตีกลับมาให้เคร่งตึง เร่งวุ่นวายเพะต้องไม่ไปจัดการไม่จัดแจงปล่อยเขาแสดงเขาไปตามสภาพวางใจเป็นกลางปล่อยว่างเป็นปกติทำหน้าที่เหือนผู้ดูละครกาเขาแสดงบทบาทบางตอนละครเล่นไป ตัวพระเอกนางเอกตัวโกงตัวพูดล้ายตัวตลกเราเป็นผู้ดูก็ต้องดูไปจะไปจับตัวละครไม่เอาตัวโกงนางร้ายไม่เอามันไม่ใช่ไม่มีหน้าที่เนีย่ยทำหน้าที่เพียงผู้ดูผู้รู้อยู่เท่านั้นดูละครแล้วก็ย้อนดูผู้ดู เจอไหมว่ามีผู้ดูอยู่ในร่างกายในจิตใจมันก็มีการแสดงละคร อ, อยู่เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายไม่ไวเว้นเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวได้ยินดูย่อหย่อนจงระลึกรู้สึกตัวทุกขั้นตอนให้มีสติระลึกรู้อยู่เดี๋ยวนี้ไว้ตรงนั้นตึงตรงนี้มีอยู่ทั่ว กระทบร้อนกระทบเย็นอยู่ที่ตัวเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดเข่าเดี๋ยวหงายนอนเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิ ด, ดร้ายไม่ไวเว้นเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวได้ยินดูยอหย่อนจงะระลึกรู้สึกตัวทุกขั้นตอนแล้วจะถอนตัวตนผลววกไยต้องรู้สึกตัวะระลึกรู้ตัว ทั่วพร้อมในขณะนี้จิตเมื่อถูกรู้ถูกดูจิตก็เหมือนถูกจรารนายัยเหมือนเพชรที่ถูกจรารนัยนั้นก็จะใสขึ้นใสขึ้นส่งแสงแวววาวจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อถูกรู้ถูกดูถูกพิจารณา ดีวอนทั้งหลายก็จะสลายหมดไปจากจิตความง่วงเหงาความผุงสร้างความหมดุดหิดก็จะหลุดไปจากจิตจิตก็จะใสใหรว่าประพัดสอนจิตเดิมนะประพัดสอนอยู่แล้วแต่่าคุณโมเส้ามองเพราะมีกิเลสจอดเข้ามาจากเคลือบใจเราอยู่ เรามีสติมีสัมผัชั้นยากเรก็จะค่อยชําระออกไปชําระออกไปจิตเราก็จะใสขึ้นในเวลาที่กําลังกําหนดรู้เนี่ยเหมือนเวลามันจะละในอยู่เนี่ยถ้านิวรมันยังครอบงำอยู่มากเราก็จะต้องเพียรระวังไว้ให้ดีขณะที่กําหนดดูไปเนี่ย ถ้าดูไม่ดีมันก็จะครอบครับความห่วงดูเขาไม่ดีเขาก็จะครอบงับหลับไปด้วยกันเนี่ยเพราะนั้นมันต้องดูแบบตั้งหลักดูแบบตั้งสติตื่ตัวตื่นใจอย่าลงลึกนะถ้าถ้ามันห่วงอ ย, อย่าเอาใจแน่ลงไปให้พยุงจิตใจขึ้นมา พยุงใจขึ้นมาถ้ามันง่วงพยุงใจเพียนระลึกเพียนรู้สึกตัวเป็นตัวระวังอยู่นะเพราะว่ามันมีนิวรณอยูนะ่เราจะต้องสังเกตดูมันมีไหมความง่วงเงาข้านอนใจจะต้องเพียนตั้งหลักตั้งสติมากกว่าตามปกติ ดนั้นในการปฏิบัติเนี่ยต้องมีทั้งความเพียรมีทั้งสติมีทั้งสัมปชัญญะแล้วก็ต้องมีการละการปล่อยการวางถ้ารู้สึกค่อนข้างจะเพ่งมันจะปรากฏเป็นความเคร่งตึง ถ้ามีการเครยกเพ่งมันจะเคร่งตึงรู้ตัวแล้วก็ผ่อนตามนะสอนใจตัวเองว่าปล่อยวางนองปล่อยวางนถ้ามันตึงเคร่งตึงสมองตึงแสดงว่าเราเพ่งเกินไปคลายออกมาปล่อยวางออกปล่อยวางทำใจว่า ใจตัวเองว่าไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรปล่อยวางปล่อยวางถ้าเอาก็หนักปรับก็ สาสใจให้ปล่อยให้วางไว้สเสมอไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผอรับรู้ดูเบาๆอย่าไม่เอาอะไรไม่จงใจจัดแจงปล่อยสภาวะเขาแสดงเขาเองนที่สุดก็หยุดใจไว้นิ่งๆไม่วิ่งจับอารมณ์หยุดใจไว้นิ่งๆรู้ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเอง รูละสลักวางว่างสบายใจก็จะวา่าเข้าถึงสุญญาตาว่างจากบ้านว่างจากคนว่างจากอาคารสถานที่ว่างจากป่าจากบ้านจากเคหสถานใจเข้าถึงความว่าง นั่งอยู่ก็ไม่ไม่ต้องบอกว่านั่งอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่านั่งอยู่ที่ไหนเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงให้ว่างไปหมด <Yeah. S 1> พอจิตใจมันว่างจากสถานที่จากบุคคลในนั้นก็จะปราบกฏใจผู้รู้เด่นขึ้นมาในความว่างๆแต่มีใจผู้รู้ จิตผู้รู้เน่ยก็ไม่ใช่เราเคยยึดเคยถือว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราเองพิจารณาดูว่าจิตที่รู้รู้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเปิดดับไปรู้ลงหมดไปรู้ละหายไปเป็นกระแสที่ขาดตอ่อเมื่อเห็นความสลายไป ใจผู้รู้ความเป็นอนัตตาก็จะปรากนะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเร า, นาในโอกาสที่เรา ก็หมายถึงผู้ให้กำเนิดเลิดใ น, นชีวิตเราด้วยชีวิตที่เราได้มันเนี้ยอ็เป็นการได้รับการแบ่งให้มาจากพ่อจากแม่เลือดเลือทั้งหลายที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเลือดเลือชเชื้อไขที่พ่อเ เราได้เอาเลือดเนื้อเชือ้อไข่ทนเป็นสมบัติที่พ่อแม่ให้มามาทำความดีมาเจริญภาวนามาปฏิบัติแล้วเป็นการได้ทำกุศลให้เกิดขึ้นในสมบัติของพ่อแม่พ่อแม่ผู้เป็นเจ้าของเลือดเนื้อก็จะได้พลอยอนิส่์ไปด้วยความสุขของความเป็น ว่าลูกเป็นคนดีลูกเป็นคนดีพ่อแม่ก็มีความสุขถ้าลูกเป็นคนร้ายพ่อแม่ก็ทุกข์มา <c oughs> เราจะต้องเป็นคนดีปฏิบัติดี <c oughs> ให้ความดีกับพ่อแม่ <c oughs> เราจะระกนึกถึงได้ว่าตอนเรา เิในท้องแม่นั้นเราได้อสสาศัยคร้นของท่าน <c oughs> เป็นเวลาถึง9เดือนสิเดือนความลาบากของความเป็นแม่เป็นอย่างไรเราเป็นเราก็มีแม่เราก็มีลกูกเราก็เคยตั้งครรนเราก็จะรู้ซึ้งว่า แค่ไหนอย่างไร <C ười> เมื่อสายเลือดในกายได้ก่อร่างแม่ต้องสร้างพลังใจให้เก่งกล้าสู้ถนอมลูกในครรภ์ทุกวันมาแม้อ่อนล้าเหนื่อยและท้อก็ยอมนทนว่าจะคลอดลูกยาออกมาได้ แม่เจ็บเจียนจะขาดใจอยู่หลายคนพ่อก็เฝ้าระวังด้วยกังวลความสับสนหวัดกลัว <c oughs> ็นหัวใจเมื่อลูกคลอดปลอดภัยได้หนหน้าพ่อแม่ก็ยิ้มทำน้ำตาออกมาได้อันความรักความห่วงและห่วงใ่ จะหาใครเทียกแท้พ่อแม่ เ, เรายามเป็นอยู่ในคันและก็ในวันที่เราคลอดออกมาเป็นวันทุกข์เป็นวันเจ็บปวดแต่บางครั้งเราก็ไปฉลองวันเกิดด้วยความสนุกสนาน ตอนเป็นเด็กทารกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใครเป็นผู้ดูแลเจ็ดที่เยี่ยวป้อนข้าวป้อนน้ำให้น้ำดมให้ดื่มกินถ้าเราไม่มี ว่าเป็นเด็กไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยแม่ต้องคอยกกประคองกอดอยู่แนบกายคอยระวังระวัยอยู่ทุกปีกวันป ร, ราปร้าปโอมปลอบวันให้ลูกนั้นได้อบอุ่นใจทุกยากลำบากลำบ น, เ, นเหน็ดเหนื่อยอดทนไม่อาทองเจ็บป่ว สามน้ำสี่เรือนสามก็หนึ่งคือหนึ่งเรือนครั้นอาศครันมันไนอนกอยู่เป็นเวลาตั้งแป่าดือแล้วก็เรือนตักอาศตักบาทีขีเ้เยี่ยวอัดพอมเนืา ให้ยุงลิ้นไรมาใส่ตอมทาแป้งหอมเจ็ดเยี่ยวขี้ตุบหวันทำป้อนข้าวป้อนนาทุกชาขั้นอยอมตัดต่งทำงานทุกอย่างเพื่อสร้างสรรค์ <c oughs> ทั้งพร่ำสอนลูกยาสารพันหวังลูก ที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ในมนุษย์แลวพระเจ้าตรัดว่าเมโลกจะเลียงพ่อแม่ไว้บนบาทั้งสองเป็นเวลาร้อปีให้ขี้เยียวบนบาหรือแต่งตั้งท่านเป็นพระราชาพระราชนีได้ก็ไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณท่านได้หมดสิู้กคนใดอย่างพ่อแม่ไม่มีศรัทธา ศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีจากขะให้มีจากะไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเป็นการตอบแทนอย่างสูงอย่า <c oughs> ความปรารถนาของพ่อแม่ไม่มีอะไรนอกจากความสุขความเจริญของลูกย่างเปรียเท่าก็หมายเจ้าพ่ารับใช้ในสมัยพุทธกาล ชื่อว่านันทิยะไปฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าเก็ศรัทธาขอบวชพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอได้รับอนุญาตจะบิดามารดาบริยามอย่างพระพุทธเจ้าขา้าถ้าเช่นนั้นเธอก็เป็นขออนุญาตเสียก่อนให้พ่อแม่อนุญาตก่อนที่จะมาบวชได้ นั่นที่ญากกลับมาบอกพ่อแม่ว่าลูกจะขออนุญาตไปบวชพ่อแม่ก็ตกใจมีลูกคนเดียวมีสมบัติตระกูลใหญ่เป็นตายยังไงพ่อแม่ก็คงให้ลูกไปบวชไม่ได้หรอกพอไปบวชแล้วก็ลำบากต้องไปอยู่ป่าคนไม้ ก, ก็เป็นหวมแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกจากไปนานที่สุดนาที่ยากก็เลยปดัดทวนอดข้าวอดอนาะหารนอนไม่กินอะไรวันแล้ววันเล่าผ่านไปสามวันนนที่สุดพ่อแม่อดรนทนไม่ได้เกิงว่ารู้จะตาย จำใจต้องอนุญาตพยานดีใจพ่อแม่อนุญาตก็เดินทางไปบวชท่านได้บวชเป็นพิสสุขในความที่ท่านเป็นลูกเศรษฐีคนรู้จักมากเพื่อนฝูงเยอะคนนั้นไปเยี่ยมคนนี้ไปคุยคุยอยู่ทุกวันทุกวันไม่เป็นอันประพฤตปฏิบัติท่านก็เราเห็นว่า อยู่ในเมืองสงสัยไม่ได้บรรลุธรรมก็เลยหนีเก็บบาตรเจวอเก็บบาตรบริคารเดินทางไปอยูป่ป่าเข้าป่าอยู่ชายแด น, นปฏิบัติอยู่ที่นั่นเป็นเวลา10บสองปีไม่เคยกลับมาเลยไฟบิดามาดาอยู่ทั้งนี้ก็ถูกเขาโกง ทัพ ส, สมบัติถูกเขาไล่ออกจากบ้านต้องกลายไปเป็นขอทานวันหนึ่งมีพระในเมืองไปที่ท่านอนติยาอยู่ท่านอนติยาเมื่อสอบถามได้ความว่าพ่อแม่ต้องถูกเขาไล่ออกจากบ้านไปเป็นขอก็ตกใจเก็บบาตรโกรธเดินทางเข้ามาในเมืองเมื่อไปดูที่บ้านกลายหนึ่งของคน ออกติดตามว่าหรือพ่อแม่ก็ว่าไปเป็นขอทานแต่ว่าเราคงต้องลาสิกขาก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฝังธรรมเนครั้งสุดท้ายในเพศของสมณะพระพุทธเจ้าทรงทราบในตอนหนึ่งก็แสดงธรรมว่าลูกแม่เป็นพิสุอยู่ก็สามารถจะเร่งพ่อแม่ พิยาก็ดีใจว่าเออเราไม่ต้องลาสิกขาแล้วเป็นพระเลี้ยงพ่อแม่ได้ออติดตามดูว่าเห็นว่าไปเป็นขอทานขอทานที่เดียวก็มากไปเดินไปดูวันแล้ววันเล่ายัางหาไม่เจอจนที่สุดวันหนึ่งก็มาเจอพ่อแม่เป็นขอทานอยู่รินทาง ท่านก็กลับคลายกับคลาว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะร่างกายที่เคยหน้าตาผิวพรรณป่องใสกลายมาเป็นหมนหมองเสื้อผ้าเก่าขาดรูปร่างก็สูบเสียดสูบสีดลงไปท่านก็เลยเดินเข้ามามองพิจารณาใกล้ๆกล้ฝ่ายพ่อแม่ก็เข้าใจว่าพระมาบิน ท่านเป็นปาตุดวงมีบาตรีีก็แล้วคุณเจ้าในมนตไปโปรดที่เธอคุณเจ้าไม่มีอะไรจะใส่้านหรอกพอได้ยินเสียงได้จำเสียงได้เสียงเป็นสิ่งที่จำได้ได้พ้านาทยะก็จำได้ออกเป็นพ่อแม่ของเราแต่ท่านก็พูดไม่ออก นึกถึงว่าพ่อแม่เคยอยู่สุขสบายกลายมาเป็นขอทานนึกถึงตัวท่านก็จากไปสิบกว่าปีไม่เคยกลับมาเยี่ยมท่านก็พูดไม่ออกท่านก็ยืนนิ่งป้ายโยกทั้งสองก็เห็นพาะไม่ยอมไปนึก ว, ว่ามัตตือวินธรรมบาก็เลยพลานา ขเจ้าข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะใส่บาทเนาะเป็นสมัยก่อนถ้ายังเป็นเศรษฐีอยู่ก็พร้อมที่จะทำบุญทำทานให้แต่หลังจากลูกชายของข้าพเจ้าออกบวชหายาศัศส่ว์ไปเป็นเวลานานไม่รู้ว่าเป็นตา ย, า ย, ยาไร้ดียังไงข้าพเจ้าก็ถูกพวกโกงซับสุบนบาท อกเกาไ่้ออกจากบ้านก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องบบเป็นขอนทานบางวันก็ได้อาหารกินบางวันก็ไม่มีอาหารจะกินอดมือ้อกินมื้อนี่ดันั้นไม่มีอะไรจะให้ท่านไม่มนไปโปรดได้อืน่นเถะนล้นันทิยาได้ฟังไปยิ่งสะท้อนจิตใจมากนึนกถึงภาพ ความที่พ่อแม่เคยอยู่สุขสบายนึกถึงภาพเราเคยอยู่อาศัยพ่อแม่เคยเลี้ยงดูเรามาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสื้อผ้าเคยดูแลเราแต่นึกถึงว่าเราไม่เคยได้ดูแลพ่อแม่ทอดทิ้งไป ความรู้สึกอึดอัดจิตใจก็มากล้นท่านก็ไม่สามารถจะแป้นน้ำตาไว้ได้น้ำตาของพระก็หลั่งไหลลงมานโอกาสที่สองสามีภรรยาเห็นพระไม่ยอมไปไหนก็เลยเงยขึ้นมองพิจารณาเห็นพระมายืน ตาไหลพิจารณาไปพิจรนามาก็จําได้ว่าเป็นพระลูกชายทนะ้องคนก็ไม่ฟังเสียงก็โผเขาก่อด น, นะกอจับเท้าขาจีวรไว้ระลับลับถึงความคิดถึงตลอดระยะเวลาพ่อแม่ นอนก็คิดถึงลูกความรู้สึกของความเป็นพ่อเป็นแม่ถึงจะลูกโตขนาดไหนยังไงก็ยังเป็นพวกอยู่ดียามเปียถ้าวไม่เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หม่เจ้าเฝ้ารักษายามถึงวันตายวายชีวาหวังเพียงเจ้าช่วยปิดตาคลายซุใจความ ความรักของพ่อแม่ไม่มีที่สิ้นสุดบางคนแม่ลูกอยากชั่วจะชาติติดคุกติดตาลงคนทั้งหลายบรรนามเป็นโจรมหาโจรแต่คนที่จะไปเยี่ยมในคุกก็คือพ่อแม่บางคนเป็นนักโทษหลายแหล่ถูกประหารชีวิตคนทั้งหลายทั้ง เทปัญนาแต่คนที่จะเห็นใจคนที่จะไปรับศกก็คือแม่คือพ่อเนี่ยความรักใดไหนจะแน่ทําแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงเล่าหรือจะเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับโลกอยูทูบค่ะ ท่นพระคุณของท่านยิ่งใหญ่พระคุณใดใครเล่าเท่าพ่อแม่จะรักเราเที่ยงแท้เกินท่านได้สระสุขทุกทนแทงขาดใจยังทนไหวไม่ท้อพ่อแม่เรายามลูกทุกแม่สะท้อนนอนสะอื้นพ่อก็กลืนน้ำตาโุราเศร้าที่เป็นลูกทำให้ลูกเป็นลมเงา ฝังเพียงเจ้าลูกทุกคนพนหวงไัยตั้งแต่เล็กรอดผ้นจนเติบกล้าเสียน้ำตาให้กับลูกไปเท่าไรไม่เคยคิดทวงคืนประการใดมีแต่ให้มีแต่ห่วงดวงจีวาและคุณท่านนั้นมากล้นจนมิหา จะประกาศและแทนคุณให้สมค่าทั้งสมุดสุดแผ่นดินสิน้นน้พผาวกชีวิตยังน้อยกว่าค่าน้ำนม ที่มาทดแทนแม่เราก็ไม่มีไม่ั้นเราก็ว่าพระนัตถยาได้สติทั้งก็อบอกกับโยมพ่อโยมแม่ว่าโยมทั้งสองต่อไปธรรมาก็จะไม่จากโยมไป ก็ได้พาโยมทั้งสองไปหาที่พักอาศัยจากนั้นท่างก็ออกบินทําบานได้อาหารมาก็นำอาหารนั้นมาให้กับปิดาบรรดาได้รับประทานส่วนที่เหลือทัางก็เอาไปฉันบางวันอาหารได้น้อยทั้งก็ให้บรรดาได้รับประทาน ก็ยอมอดทำอย่างนี้เรื่อยๆมาร่างกายของพระนันทิยะก็ผิดไปเพื่อนก็หามว่านันทิยะท่านเป็นอะไรไปดู <c oughs> ท่านผอมลงไปทุกวันท่านก็บอกบางวันผมไม่ได้ชันหรอกอทำไ ม, นะมเพราะอาหารเนี่ยที่ บ, ดบาดามาให้พ่อแม่ได้รับประทาน วันอาหารน้อยก็เลยยอมอดเพื่อนพิสูจ์ก็จำหด้ว่าท่านา จ, จะต้องไปทำลายศรัทธาไทยบุญของญาติโยมเขาต้องการจะถวายพระให้พระได้ฉันเขาต้องการบุญกุศลทานเอาหารไปให้พ่อแม่มท่านทำลายศรัทธาไทย หลายบุญของเขาก็เลยนำเรื่องนี้ไปฟ้องพระุทธเจ้ า, าพระบุเจ้าก็จึงได้เรียกตัวพระนิทิยาเข้าเฝ้าพระถามว่าดูก่อนนิติยะได้ทราบเธอบินต บ, บาทอาหารมายังไม่ได้ฉันเอาไปให้คารวะจริงเลยจริงพระพุทธเจ้าข้าใครหรือที่เดินนำไปให้ โยมบิดามันดาผู้บังเกิดข้าพระพุทธเจ้าค่าแต่ที่พระเจ้าจะส่งตำหนิพระองค์กับสาธุสาธุดีแล้วทันทีเธอได้ทำดีแล้วความกระตัญโูกระตะเวทีเป็นลิมิเกอ้อหมายของคนดีแม้ใ น, ในสมัยอดีตชาติของพระองค์พระองค์ก็เคยเลี้ยงพ่อแม่ ในชาติที่เป็นหลิงเป็นหัวหน้าลิงมีน้องมีคนอดีตภาษาดิบุไปเป็นน้องพี่น้องนะมีบริวารลิงจำนวนมากก็ดูแลบริวารส่วนพ่อแม่เนี่ยตามบอหลิงตามพ่อแม่ตาม แต่ว่าหัวหน้าดิงเนี่ยก็ ม, ม, มัวดูแลลูกน้องบริวารแต่ก็ให้บริวารเอาอาหารไปส่งทุกวันให้อาหารไปส่งให้พ่อแม่เจ้าชราก็ปรากฏว่าไห้ลิงที่รับอาหารไปมันก็ไปกินเองไม่ไปส่งพอหลายวันหัวหน้าลิงพระโพ ธ, ธิสัตว์กลับไปเยี่ยม เห็นแม่ผอมพ่อผอมไปหมดถามว่าทําไมผอมไม่ได้กินอาหารคือปั๊บมาให้ทุกวันไปได้ไม่ถึงไม่ได้กินทําให้หัวหน้ารินพระพโทธิสัตว์สลดตั้งเวทใจว่าเราไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดบวชได้ไปสารวนอยู่กับบริวาร จึงบอกน้องชายว่าเราจะลาออกจากความเป็นหัวหน้าให้เธอไปเป็นหัวหน้าแทนเราจะมาดูแลพ่อแม่จะมาเลี้ยงพ่อแม่ฝ่ายลิงผู้เป็นน้องก็บอกว่าผมก็ไม่เอาผมก็ไม่ยอมเป็ น, นผมก็จะมาเลี้ยงพ่อแม่ที่สุดพี่น้องลิงหวหนพี่น้องก็ลาออกทั้งคู่ให้บริวารทั้งหลายไป ไปว่ากันเองแล้วก็มาดูแลพ่อแม่อยู่วันหนึ่งก็พาพ่อแม่ไปหากินที่ต้นไทรใหญ่ปรากฏว่าวันนั้นนายพานงเรียนวิชามาจากตักกริลาแนละ้วก็มาเป็นนายพานออกล่าสัตว์วันนั้นหาสัตว์อะไรไม่ได้เลยโกรธมาเจอต้นไทรใหญ่ก็ ถือธนูมาเลยเจออะไรก็จะยิงทั้งหมดฝ่ายลิงผู้เป็นพระโพธิสัตวนะ์เห็นในพานถือธนูมาเช่นนั้นต้ง เ, เข้าใจว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นลิงแก่มากแล้วเขาคงไม่ยิงแล้วแก่แล้วไม่รู้จะมาไปทำไมก็ตัวเองก็เลยหลบซ่อนพี่น้องสองคนหลบซ่อน ปรากฏว่าในพรานใจโหดเห็นลิงแก่ก็จะยิงแมาพิ่เมื่อพระโพธิสัตว์ลิงพระโพธิสัตว์องค์พี่เห็นเขาจะยิงแม่ก็ก็เลยออกมาบางังเอาตัวบังไปแล้วก็บอกว่าอย่ายิงแม่ฉันแม่ฉันแก่แล้วยิงฉันนี่ ไม่น่าพูดกันได้ดรื่องบอกว่าอย่ายิงอย่าพูดแล้วไม่พูดไม่รู้แต่มันออกมาบังบังแม่ไว้ในพลานไม่ฟังเสียงยิงยิงริงองพีร่วงลงมาตายจากนั้นก็เหงือธนูจะยิงริงริงแม่ องน้องก็ออกมาปังวัยหญิงวัยิงแม่ฉันยิงฉันนายพานก็ยิงองค์น้องตกกันมาอยจากนั้นก็ยิงยิงลิงผู้เป็นพ่อเป็นแม่ตายหมดเลยร่วมด้วยอำนาจของกรรมอันนั้นายพานนั้นทำบาปทำกรรมกับผู้ที่เขากำลังดูแลพ่อแม่เขา เขามีคุณธรรมแม้ว่าจะเป็นสรรัตว์เบญจานแผ่นดินรับไม่ได้พรองจากนั้นไปพระถูกแผ่นดินสุขเรียว่าอดีตชาติของพุทธเจ้าก็มีความกตัญดูกตาวิธีนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสนเส ร, ริญของผู้มีความกตัญญู แล้วก็ได้แสดงธรรมจนนันทิยะบรรลุเป็นโสดาบุตเป็นอริยบุคคลคนที่มีความประตันอยู่ก็ได้ไปที่จะเป็นเป็นผู้มีความเจริญอย่างใครที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีความเจริญเราอาจจะบาท่านก็พ่อแม่ไม่ได้อยู่แล้วล่วงลับหนักขันไปแล้ก็สดวิสัย ในโอกาสวันเดือนแม้วันแม่มาถึงใครที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่ก็ต้องไปกราบเทา้าก็กำมาลาโทษันที่เราเคยร่วมเกินไว้ไกายวาใจใจก็อเลี้ยงดูท่านอาหารเสือ้อผ้ายุกยาที่อยู่อ า, าศัยส่งเสียเลี้ยงน้ำใจด้วย เยี่ยมเยียนตลอดบางทีความสุขของความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่อยู่ที่น้าใจของเราได้ดูแลเราได้ให้แบ่งปัดูแลเยี่ยมเยียนความสุขของพ่อแม่ก็มีขึ้นนั้นกราบเท้าขอขามาลาโทษในโอกาสเดือน น้อมใจกลาาผ่านพระบุตรพระธรรมประสงค์รำลึกถึงพระคุณของท่านแล้วเราก็จะปฏิบัติตนเองให้ดีในฐานะเราเลือดเนื้อที่พ่อแม่ให้มาเอาสมบัติมาทำความดีให้ยิ่งขึ้นก็เป็นการประกาศเกียรติคุณความสุขความเจริญนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเรา ก็ขอนอนุโมทนาสาธุการคุณงามความดีที่ได้ทำนี้จองเป็นดีไซน์เป็นปัใจจัยให้บัาเกิดขึ้นในความสุขไปถึงบิดามารดาและชีวิตของเราก็มีกำลังพลังในการที่จะเอาชนะละความชั่วในการที่จะภาพเพียรสังสมความดี ในการที่จะทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสโดยตัวหนักกันทุกท่านทุกค น, กคนในวันนี้ในส่วนของทานนำ้ำไม่บุญสำเร็จจากการให้ทานวัตถุสิ่งของต่างๆก็เป็นบุญกุศล สเสบียงติดตัวเราไปในสัมภาร ะ, ะพบเรื่องหน้าไม่อดไม่ยากไม่ยากจนคำว่าไม่มีจะได้ไม่ปรากฏในส่วนของบุญจากการที่เราได้สมท า, านไตรสนาโคมก็เป็นบุญที่สูงขึ้นอีกในบุญในการที่เราสมท า, านศีลก็เป็นบุญสูงขึ้นอีกในการที่เราได้ฟังธรรมก็เป็นบุญสูงขึ้นอีก ในการที่เราได้เจริญภาวนาก็เป็นบุญที่สูงขึ้นไปอีกนั้นวันนี้ก็ได้บุญกุศลหลายสิ่งหลายประการทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนามีสติมีปัญญามีศรัทธาเพิ่มพูนพอจงแบ่งบุญกุศลให้ญาติผู้ร่องรับเปแล้วท่านเหล่านั้นได้โมธนาโดยเฉพาะพิธาบัรดา ใหเกิดเลือดเนื้อชีวิตให้ได้โมทนาในบุญกุศลที่มีชีวิตอยู่เราก็ไปบอกให้ได้ยินแบ่งบุญแบ่งกุศล น, นี้ให้อันโมทนาให้เป็นกุศลมีความสุขความจเจริญโดยทั่วหน้าการทุกท่านถธ อ, อยาทาวาริวาหาปุราปริปูเรนติ สากครังเอวเมวอิตโต้ทินังเปตันงังอุปกะปติอิเจตังบาดิตังตุมหังกิประเมวสมมิจัตโตสัพเพปุริโตสังคปาจันโทปนารโสยะถามนิชโชดิละโสยะทาสัพีิโยอิอวัชันตุสัพโรคโคนสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีธีคายุโกภวพิวาตนาเสเรสนิจังอุทาปจายน จตารวธรรมมาวัฒนติอายุมนสุ ข, ขังภะหลัง